ยังยังขอใช้คำถามที่ตั้งเอาไว้เดิมอยู่นะคะว่าแล้วเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับการอบรมมาแนะนำมาก็คือว่าต้องมีคำบริกรรมบ้างบริกรรมม า, มาก็ไม่รู้บริกรรมยังไงถ้าบริกรรม ก, ก็มีนีบริกรรมบริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาอัปปนาภาวนาหรือบริกรรมสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิ บริการนี้มีอยู่แต่บริการที่ไม่ชี้ถามเอามาไม่ทราบว่าบริการอะไรก็ต้องถามให้ชัดเลยอย่างเช่นมีลมหายใจเข้าก็ให้นึกถึงคำหนึ่งเช่นคําว่าพุทและเมื่ อ, อหายใจออกก็ให้นึกถึงคำหนึ่งว่าโทเนี่ยค่ะเพรอย่งางนี้ก็คืออย่างนี้นะในอาณาปานาสติเนี่ยนะ ถ้าอนาปัญสติเนี่ยท่านกาหนดลมหายใจเข้าออกตามในยากของอัตถกถาเลยดีกาท่านสอนการนับลมสอนการนับลมหรือถ้าบางกลุ่มที่จะเดินตามคําสอนนั้นก็ไม่ต้องนับเลยกําหนดจุดกระทบเลยเนะที่ลมกระทบเข้าและกระทบออกเลยเนี่นอันนี้ก็อันนี้ก็มีหลักการปฏิบัติชัดเจนเลยคือสามารถตรวจสอบได้ทั้งใน อาณาปานาสติสมาธิในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งภาคอัตกถาและดีกาขยายไว้ชัดเจนมากๆหรือในอาณาปานาสติสูตรอีกหลายที่หรือในกายยะคตาสติสูตรแม้ในคัมภีร์สติปฐานสูตรก็สอนในเรื่องของอาณาปานาบับเข้าไว้เป็นบับแรกเลยเป็นหมวดแรกในการจเจริญแล้วก็ไปขยายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งอัตกถาและดีกาแล้วก็ยังไปขยายไว้ในพระวินัยยบีโด เกี่ยวในเรื่องของอาณาปานสติสมาธิทั้งพุทธพจน์ด้วยทั้งอัตถกาถาก็แสดงไว้และในสาระธนะทีปณีดีกาพระวินัยก็ยังขยายไว้อีกฉะนั้นอาณาปานสติเนี่ยเป็นการสอนที่ชัดเจนมากๆแต่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพระโดยส่วนใหญ่เพราะเป็นกรรมฐานต้องหลีกเล่น ให้สังเกตดูจะใช้คำว่าอรัญญคตวารุขมูรคตวาสุญยาคารคตวาแปลว่าอะไรเนี่ยนะอยู่โคนม้อยู่ยเรือนว่างแล้วก็เข้าหลีกเลนเนี่ยห่างไกลจากหมู่บ้างทีนี้จะถามว่าชีวิตครวาสจริงๆเหมาะไหมเพราะอนาปนาเนี่ยมีเสียงเป็นค่าสึกมีเสียงเป็นค่าสึก มาถึงไม่ค่อยอยากนําเสนอไงว่าจริงๆกรรมฐานที่ไม่เหมาะสมกับคารวะก็ยังพยายามผลักดันให้คารวะซึ่งยังต้องบริโภคอยู่เกี่ยวข้องกามพฤลนสนำมาเล่นกันอยู่เนี่ยได้พอเป็นน้ําจิ้มนะได้เอามาทดลองได้เอามาทําได้พอเป็นอัตยาศัยพอเข้าใจเนะี่ยได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่ห่วงหรอกจะเป็นกรรมฐานเหมาะสมเกียรภิกษุหรือกลุ่มทผู้หลีกเล่นจริงๆเพราะมีเสียงเป็นค่าศึก และหลุดง่ายเพราะสมาธิตั้งแล้วเนี่ยเจออะไรรบกวนหน่อยก็หลุดแล้วนะแต่จริงๆก็ได้นะคาราว่าถ้าต้องการหลีกเล้นเนี่ยออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยทําได้สะดวกแต่ว่าโดยมากไม่ค่อยอยากนําเสนอแต่ว่าถ้าถามทีนี้ว่าถ้ากําหนดแล้วบริกรรมจากบริกรรมพุดโธเจอบริกรรมคําว่าทำโมจะบริกรรมคําว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใส่คําบริกรรมไปเนี่ย อามาไม่อยากให้ทํามันจะเป็นสองกรรมฐานถ้าพศโทเนี่ยจะเดินเป็นพุทธานุสติดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอาณาปานสติกรรมฐานเนี่อยู่คนละหมวดกันไงอามาไม่อยากให้เอาสองหมวดมารวมกันแล้วมาเดินพ ร, พร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวใจจะสับสนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะบริหารพร้อมกันทั้งสองกรรมฐานเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะกลัวจะมีประเด็นตรงนั้นขึ้นมา แต่ถ้าจะเป็นอุบายนะสมมุติว่าจะเป็นอุบายอ่ะก็ต้องไปถามท่านผู้ที่กำลังทาเนะี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยใจคิดถึงอะไรจะคิดถึงพุทธคุณหรือจะคิดที่ลมอาจจะคิดถึงพุทธคุณหรือคิดที่ลมถ้าจะคิดที่ลิตที่ลมก็เอาลมอย่างเดียวได้ไหมก็ลองนำเสนอเขาดูนะ แต่เธาเขาบอกไม่ได้ก็จะยืนยันจะ่าพุทธโธอยู่ด้วยเพราะแต่จริงๆจะดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะไปยืนยันอย่างนั้นเดินแล้วใช่ไหมเออไปยืนยันอย่างนั้นเดินแล้วเนี่ยแต่โดยหลักก็คือถ้าคําว่าพุทธโธเนี่ยเป็นชื่อของพุทธานุสติเป็นชื่อของการรู้อริยสัจสีนะถ้าแยกกันได้จะดีเพราะจะจะเดินพุทธคุณก็เดินได้จเจริญพุทธคุณในบท หมวดคำว่าพุโทโธเนี่ยซึ่งตัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกสมุทัยนิโรดมากแต่รู้อัตถะของคำว่าพุโทโธให้ลึกซึ้งเมื่อเดินไปแล้วก็ยังปลาโมดพิติให้เกิดขึ้นมาได้และถ้าเข้าใจพุทธคุณในหมวดนี้ในบทนี้จริงๆเนี่ยกรรมฐานนั้นยังอุปจารสมาธิให้เกิดได้ด้วยแต่ไม่ใช่อานาปานะแต่ถ้าอานาปานสติเนี่ยซึ่งไม่ใช่พุทธคุณเนี่ยนะเขาสามารถได้ยันเจตุทะชานนะชานที่สี่ อันนี้คือเจตุกันในถ้าปัญจมนัยได้ถึงปัญจมาฌานและเป็นฐานแกการเดินอรูปฌานเป็นต้นได้ด้วยอันนี้ก็ถ้าแยกกันได้จะดีนะแต่ถ้าหากว่าเคยแบบนี้มาแล้วนะอันนั้นก็ก็ไปทําความเข้าใจให้ชัดถึงแม้จะคุ้นเคยกับศัพท์อย่างนี้นถ้าท่านจะอนุโลมเองตามตามความเข้าใจแต่ละบุคคลนะ อายอ่าอายอคื อ, อ, อที่หนูฟังธรรมะทุกวันเนี่ยค่ะคือเวลาเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าพุโทโธไม่ใช้คำว่าบริกรรมแต่เราจะใช้ดูที่ลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกหรือว่าผงจมูกแล้วแต่มันจะไปกระทบที่ไหนถูกต้องไหมค่ะเออคืออย่างนี้มีสองใน ท่านในของการที่บางท่านเนี่ยในในกรณีการกําหนดเนี่ยเท่านในย่าของอัธกถานนี้เดี๋ยวยาวเลยเคำเดาตัวเงนะิท่านมีการสอนบอกว่าเ อ, อ้ทันยามายกากคานาในการนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกประดุดเหมือนคนตวงข้าวกับโคปาละกากคานนาใน ในที่สองการนับเร็วเหมือนกับคนต้อนโคออกจากคอกใช่ไหมท่านในยะแรกนั้นท่านนับนับลม เ, เหมือนคนตวงข้าวยมเคยเห็นคนดวงข้าวไหมแต่พูดเห็นตวงข้าวมเนยยมอมอาจจะโบราณ น, นะไม่ใช่ปัจจุบันนี่นะโบราณเวลามีเขาไปซื้อข้าวกันเนี่ยไปที่ไปที่ทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะมีรถบรรทุกเข้าไปจอดพอไปจอดเบรคเสร็จเขาจะมีถัง ก็จะมีที่ตวงข้าวนี่นะฮะเขาจะตักข้าวอีกคนนึงก็คอยเอาถังที่ที่วัดเนอะว่าประมาณยี่สิบลิตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอเทใส่ไปในถังก็จะมีไอตัวไม้เออนะไม้อะไรนะเออนี่แหละปาดหน้าหน้าถังให้ให้นะแล้วก็ใช้ไม้ติ้วอะไรก็เนี่ยปกักปุ๊บก็ไว้เนี่ยก็จะนับหนึ่งแล้วคนที่รับถังไปที่จะเอาข้าวขึ้นรถก็นับ ซ้นเหมือนกันจับไอ้จับไม้เตี่วมาก็จะนับหนึ่งเหมือนกันในกรณีอย่างนี้หนึ่งหนึ่งนั่นเองลักษณะอย่างนี้ก็คือนับหายใจเข้านับ 1, หออ 1, นึ่งนะฮออกหนึ่งเนี่ยนะแต่บางแห่งเขาจะซ้อนกันหนึ่งหนึ่งเข้าหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งแต่บางแห่งก็ใช้คําว่าหนึ่งเข้าหนึ่งออกหนึ่งแล้วก็เข้าสองออกสองเข้าสามออกสาม เข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่นะนี่ครบชุดแล้วนะแต่มานับใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองไปถึงหกนะแล้วก็ไปถึงเจดไปถึงแปดไล่ไปเจอถึงเก้าถึงสิบแล้วก็กลับมาหนึ่งถึงห้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นไลเนไเ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจอถึงสิบอย่างนี้เขาเรียกว่าธัญมายกะคันนาใ น, านา นับช้านับอย่างกับคนต้วงข้าวทีนี้พอพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆนั้นเป็นอุบายที่พ้าละกฐาาจารย์พะดีกาจารย์ทั้งหลายท่านให้มุมวิธีคิดนับเพื่อไม่ให้สติหลุดไปจากอารมณ์คือการนับนั้นแต่ไม่ให้เกินสิบเพราะจะทำให้อารมณ์กว้างเกินไปไม่ให้ต่ำกว่า5เพราะจะอึดอัด อันนี้แปลว่าผ่านการทดสอบมาอย่างดีแล้วจากท่านผู้รู้ทั้งหลายทีนี้ต่อมานับเร็วเขาเรียกโคปาละกาขนาดนานในนับเร็วเลยหายใจเข้าก็หนึ่งสองสามีห้าไปเลยออกก็หนึ่งสามหเป็นไปตามลำดับเลยไปจนถึง10ไล่ขึ้นเป็นชุดขึ้นเหมือนกันนับเร็วเพราะตอนนี้สติขแข็งแรงแล้ว นับไปขนาดไหนนับไปจนว่าสติคล่องแล้วไม่ต้องนับแล้วมันหลุดไปได้แล้วไม่ต้องอาศัยการนับจิตสติก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ดูกระทบไม่ต้องนับเลยนี้กลุ่มที่ยอมถามออกมาเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มที่แข็งแรงทางด้านสติดีแล้วไม่หลุดไม่เผลอเลยแล้วทําแล้วได้ผลจริงๆนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยการนับ เนี่ยถ้าจะพูดถึงในด้านของด้านคำพีทั้งพระ พ, ทรพทุทธพจน์ทั้งอัจฉราาิยทั้งดีกาจามหรือแม้โยชนาเองก็สอนอยู่ในมุมเหล่านี้เท่าที่ตรวจสอบดูตามสติปัญญาที่เข้าดูได้นี่นะสอนแบบนี้วิธีการดำเนินก็ดำเนินกันอย่างนี้แต่ต้องหลีกเล้นยังไงก็ต้องหลีกเล้นอนณาบร น, นถ้าไม่หลีกเล้นจะหมู่จะคณะการเดินลาบาก เพราะจะหลุดได้ง่ายยิ่งมาทำได้เข้าทา่าเข่าทางแล้วพอมาเกี่ยวข้องกับฝูงชนนิดเดียวกลับไปทำอย่างเก่าหลุดหายไปซะอีกแล้วจักเป็นอย่างนั้น